เป็นสนามหลวงของขวิชาอาวิชามือล็อกท่านสองแล้วถ้าคว่ำจะเล่ามันะะไม่เห็นหน้ามันถ้างาทะเล่าไม่เห็นหลังมือก็ล็อกมือไหว้พระบ่อยๆแล้วก็เห็นทั้งสองเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นทางหน้าทังหลังเนี่ยทาว่าคว่ำมืออยู่ไม่เห็นหน้ามือมืองายมือก็ไม่เห็นหลังมื อ, มมมองง น, นี่ยมันคว่ได้หายได้ยังไงเนี่ยจะว่า อวิชามาทีหลังหรืออวิชามาก่อนไม่ได้จิตมาก่อนหรืจิตมาทีหลังไม่ได้วิชามาก่อนหรือวิชามาหลังมาพร้อมกันทีมีจิตที่ไหนมีวิชาวิชาที่นั่นเนี่ยจิตมีอาศัยใครอาศัยรูปเนี่ยรูปเนี่ยรูปยี่สิบแปดเนี่ยเป็นรูป <c oughs> ถ้าน้กองบินนีละบินกมีอยู่ในกายเนี่ยน้ำพฟลมอากาศ มีวิญญาณก็มีจิตเนี่ยถ้าต้นไม้ายนอกภูเขาภายนอกมันจะรูปเฉลยมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีกายวิงญาณมีเมโลวิญญาณมีจิตต่อวิญญาณทำงานเรื่องการกระตาหูคือดวงเรื่องกายใจมีกจะเอาสั้นโลดออกได้เอาอาสวะออกได้เอากิเลสกับวิบากออกได้แลมีการรูปรูปปกติรตาหูจมูกเรื่องกายห้ารูปเนี่ยบริสุทธ ผลมามาทำอะเวทนาทายาทั้งขามีดาในบริสุทธิ์ไปหมดเลยจิตจิมีจิตเบื่ออาการมีเรื่องห้าิสองห้าิสองอาการมัจิตกับริสุทธิ์ไปเลยอย่างลมหายใจเนี่ยเดินออกก็ไม่มีสัตว์มีคนมีกิเลสปัญหาอะไรมีที่เลือกวิบากมีเประกายยัังขาม นอนหลับอยู่ก็ทํางานตืนอยู่ก็ทํางานหลับตาก็ทํางานยืนตาก็ทํางานเดนินไปไหนมันทํางานอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่ว่าเดินไม่ยืนนั่งนอนอาบน้ําผุ่นผ้าเดินหาถ่ายนถ่ายขูดมันไม่หยุดวิตกกิจการมันเป็นคณ ะ, ะไปว่าจีสังขนันวิตกกันในานอนมาในโยงตัววิตกกันหาตาหาหูจมูกเลื่อยตายวิตกกันหาใจอ่า มีใจนะอตาหูจมูกมีกายใจมีอยู่ในนี่มีด้ปัจจุบันนี้มีปิติอยู่ในปัจจุบันมีสุขสุขเพราะมีปิติมีธรรมว่ามีทั้งหลายบริสุทธิ์นานทหลายกับบริสุทธนะิ์น่ะอ่าบริสุทธิ์คือสมานที่ถือกังกายกรรมสามมิกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยสมานทีว่ามีสมาชีวะ่ะนี่ จงส่งไปถึงเทกะทันมาเท ก, กทันอ่ะเหมือนจะทำสมาธิ hi, ส่งไปถึงเทวทันสมาธิเทวทันสมาธิส่งไปถึงวัฒรมสมาธิผิผวันธรรสมาธิส่งไปถึงพระโสดาสมาธิสกิตาคาสมาธินั่นธนาคาสมาธินั่นอรหธรรมกับอรหผลนั่สมาธิเถิดว่าสมาอาชีวะต่อถึงเจตวิมุติญาณมุตนะแม่แม่กิเล คืเหามาทีวันี้มาก่อนเหมือนกันนะถ้าพูดกับจิตวิชาอวิชามาเผ่ากันน่ะคนวาจาว่ามันมีจิตก็มีวิชาอวิชาทําไปมือข้นมือก็ไม่เห็นหน้ามือหมดเวลาง่ายมือก็ไม่เห็นหลังมือยกมือไหว้ผ้าไหว้เห็นทาังศอกน่ะนี่แหละคนทุกข์ในปัจจุบันนี่ เกิปัจจุบันนี่แก่ปัจจุบันนี่เก็บปัจจุบันนี่ตายปัจจุบันนี่อืมไม่ใช่ของอดีตไม่ใช่ของอนาคตนี่ฮะเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ของสัตว์ตวโลกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พ้นทุกข์แล้วส่วนพระธารมก็พ้นทุกข์แล้วส่วนพระสงฆ์ก็พ้นทุกข์แล้วเพราะม่นมีเกิดมีตายมีเป็นโลสธรรมมีผ่านธรรมนี่มีผ่านสมบัติไม่เกิดไม่ตาย เพราะฉะนั้นชาวพุทธหลายทุกประเทศถา้ามิโยมมเศิลธรรมก็จะเห็นเห็นหน้าเห็นต า, า, น ว, า, า ว, ว่ามนุษหน้าตาอย่างไรไปถือเอาโมๆแบบมีผมขนเลือฟันหนังเนี่ยเป็นมนุษย์วรรสุวรรษุรรที่ไหนเป็นมีงานได้ได้ได้ไดสมุดอานหนงห า, าว่ากายเมื่อปฏิกุิจเดิมอยู่หมดมีบางปมิกิริยากายชุ่มกายแฉะอยู่ พุ่งพลิ้วพันหนังมีนงเหือน้ำไขมีอสุพราชอยู่ในตัวมีงามตาจักระตาสติมีงามกายมีมังกรตีกระยังมีกายชุมกระแฉอยู่แฉอยู่ทั้งทวาลทั้งเก้าหนาวะเทรังทวารั้งเก้าในตัวนี้หนังมันทะลุอยู่เก้าช่องเป็นหนาวะเทวรังช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปาก ทองทวานหนักทอทวานเบ า, า, าเป็นเก้าช่องเดือวกันนชุ่มแช่อยู่ตรงนั้นอ่ะหนม่งลายหนึ่งมือือก็บขนมชุ่มแอยู่ไดยนึลายอ่ะหนึ่จว่าเป็นพระเอกนางเอกได้ยังไงอ่ะเสนเฉินเฉยังไงอ่ะเฉินเฉินนางงามาอ่ะอู้นางนี่มือหูมือขุดเขานิ่งอยู่กระเพาะในท้องนี่อ่ะมีแต่อาหารใหม่อาหารเกา่าก็เหรอจะเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะ นางงาว่ากันเอาเฉยๆเลเนี่ยพูดเอาวาดหวาดไกันเลฮะพรากฏนางงามก็เออนางงามีที่ไหนอ่าบ น, วนอสวรรค์เทพพรสวรรค์เขาเไม่งามเลยนะเขาไม่ได้กินข้าวกินน้าเขาไม่ได้กินอาหารขอาเจ้าข้ า, าขเหนียวเ้าไม่ได้กินอากินปาถึงข้าวหวางของเขาวอะไรกินตะคองทิษมูกก่นกเป็นทิษเสียงเนทิษตัวมโผดพพกเป็น่ะ เ, เ, เ, เขาเป็นการพิษเนี่ย ถึงเป็นการกับการมเทศมืนกัการการหยังกามสั์การมาสัตวี่มันหยาบมันกินอาหา ร, ๆๆาหารากินทำอาหารหยาปอหารละเอียดนี่เพิ่มเขามีรูปประชามนมาูประชานเป็นอาหารเขาก็ยังมีอาหารละเอียดเหมือนกันแต่จากนั้นก็ยังมีสนอสวทธิ์มือนสัยเ็ด และกิเลสที่เจ็บตัวและการาไม่มถึงมักผมนี่พานไม่ถึงพระโสดากิตาคานะคะอรหันได้แต่ตัดสังรลกสัดว์สุดตัวอ า, ายเจ็บตัวก็ปกระตุทข้างในน่ะเอวก็เป็ทนทจก็เป็นทันทันภายนอกก็มีทัภ า, ายในก็มีนี่ทัภายนอ ก, อ, อกยกขึ้นสือพระายยุ ยกนถืพุทธบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้กัดจูก่อนพระสงฆ์หลายนำมาสอรพระสงฆ์ทหลายตัวอย่างปฐมทฤษฎีสาวัวห้าวันเพศห้าวันเลสโซดาห้าองค์นี่ะพวกห้าองค์นบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีกพระเจ้ากัดจูว่าต้องแสดงห้าองค์นั่นก่อนแสดงไปถึงอดุรัสสีเดียพ้นสี เปจกไปองัะที่ลที่พระิฆาตเด็จไปองเดียวห้าองยังกับไปคนละที่กันมือเงมพิจูหกสิบเอ็ดโลกก็กไปองลที่อีกยังมีพิจูมูอใ ม, มาคุมราชสักคือพระเจ้าภิพิษานจิมลุปรสโสดาในเป็นเจา้าแผ่นดินเราถึงวาสุกบาจิกามีพระพิ ไปอาสายป่าไม่ภายพระเจ้าเป็นที่ศาลมาสอหมอนโองลงวกุงรัตจะคือก็มีพระสงขึ้นมากมายถึงขนาดานนั้นนะกุมิรพัฒน์พระราชาพุทธาก่อนมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระสงไปแสดงทรรกรุงวัวิรพัฒนจึงได้แสดงไปถึงที่หกแครงพระนครแล้วไปแสดงธรรมไอยู่ดานดาวดูว เาษามัญอ่ะเมืม่อออกภาษากระโลมาแสดงหนมนุษย์นี่นี่ภัษาลิบุปเป็นผู้ถวายมิระบาดวันละค้างละข้างอ่ะถวายอยู่พื้นมนุษย์นี่เองเรื่องเทวดาเขาไม่ใช่บาดาลเขาได้พันธ์ธรรมเฉยเขาไม่มีหุงข้าวฉาบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องมารับมนุษย์นี่เนี่ยวลา ทายแรกมันต้องระบมาย ก, กันนะ่ะมาโดนี่โอ้ยได้เลยยอดฉายในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนะ่ะอโดยที่ไายก็พบพุทธคุณมาแทนพระเจ้าพบธรรมคุณก็แทนพระองค์สแสดงธรรมหรือว่าพระธรรมแท น, นพระธรรมอยู่แล้วพบพระอราหันต์หมดชั้นลบสิบหมดอนุสาวรียร์ในาอ า, ารามอยู่แนนะ่แหละนี่ป็ น, นยนุทธยุดเสขยดวจ็ดิบ้าแล้วะ จัญญาของพระพุทธเจ้าจัญญาของพระอรหันต์เสียเจ็สิบ้ามีม่สมไม่เกิดไม่ตายด้วยนไม่ม cinq, assy, ตต gains, esterol, ีตเลการหาอว Elizabeth> ิชชาทีเลการมบากไม่มีมีใจมีโรธรรมพานธรรมนะมาบัดนี้มีใจยาวแค่นึงเรียล่ะพระพุทธมไม่มีมีแต่พระต่างประเทศกัอยู่ พน่งมองในมือเรามีพิสูจน์ช่องแดงเราพึ่งมองขาเจ้ฟังได้ยังไงไปมววแต่การมองกันเลยเป็นมัวแต่วัตถุอย่างเดียวกันใครๆก็จะหาวัตถุในประเทศของตัวนี่ส่วนธรรมะไม่เอาเลยหลวงสทธไม่เอาเทวะธรรมไม่เอาพมธรรมไม่เอาโลกุณณะธรรมไม่เอาเรนจะมีอะไรงจะมีตัวอย่างไง ม, มีพิสูจน์ช่องแดงพื่มดวงมีตารางกา ประเทศไทยกับพม่ายังเราอยูย่นิดเดียวคนเดีสามประเทศคนเองยวมาแต่นั่นเขาเป็นหลักในการมืองมดเป็นหนักในวัตถุบทพูดยากาาไ่ผู้สภาใดเขาก็ไม่ฟังนะเขาจะหาตัวตนหาตัววัตถุเพราะว่ากันทุกแห่งทุกค น, นรบทฉอบลดเาข่าวฟานกันชีล น, น, นันเนพม่าทำไมาม่าดีบาทอธินาการเม มชา้าทาได้แล้วที่เรื่อาวิบากมันเกิดเพราะดูเรื่องราวมุกสีตัวนี่นี่อวิชายงงาหนาันก็โยนนี่กาจสีตัวนี่การสี่อยานี้ไม่ควรทำในประเทศใดๆจะดูจะต่างลงข้าสัดอยู่เป็นอ บ, บาลมุกอมูแ่แล้วเราจะพ้นจากอบาลโยนได้ยังไ ง, ไ, งไม่เว้นจากนาดิบาดกคนน้ายาไม่ทำงานการ เกลื่อนการไม่ได้ตีกันไม่ได้พนไหวร่างกายกันไม่ได้กดน้ากันไม่ได้ของพระพุเจ้าโยนเน่าถาสัตว์ถลายข่าสัตว์อื่นเบียเบียนสัตว์อื่นไม่ได้กา่าลก็ไม่ได้เมือทากันก็ไม่ได้สอเสียกันไม่ได้แกล้งกันกันไม่ได้เป็นทว่ากันยังไงเป็นรักทะนัวกันก็ไม่ได้อืห้ามดีนี่แหละ ถ้าทำในรักษากายกรรมสารวจีกรรมเสียนรูกรรมสารเป็นสมนสาธิเศรัทธาสัมนาเชวาหรือเปลมันก็ไปทำชนครัวไปทำบอ่อปลาคูดบอ่อปลาเลื่องสัตว์เป็นทหารเรื่องเติดเรื่องไกลเรื่องราคาสัตว์เป็นเนี่ยค่าสัตว เ, เป็นเป็นาหารเนี่ยมันดีอะไรมันไม่ดีหอกอันนี้สัน <c oughs> ้นเพาะฉะั้นสังเกตุได้ประเทศทุกประเทศน่ย ในระหว่างสองพันปีเนี่ยเวลาจะแยกกันทุกทืก อ, นนนอกันอยู่นั่นเกดึงกันทุกประเทศ น, นี่นอวัยวุฒิกโนมเอือัยวะภูิกนโนม่เอื้อมันก็เป็นบาปเป็นกรรมโนเองเป็นกัรของสัตว์โลกแต่ส่วนพระโสดาิกีตาคาพระนาคาพรโลกกรรมดันประพฤตกรรมขาวประพฤตรสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะมัก็ไปถึง มีพานชบาที่ปลูกมิจฉาที่ถือมิจฉาทิว่างก็กตาบายนุ ก, ก, นก็บาพูนนี่แต่งยงนี่ฮะทุกประเทศนะตายได้ทุกวันที่สุดทํานเรียนท่านดูท่านก็อยู่ในวิการจักสามษาจีกังศีมยงกัสษามสมาธิถิติสมาชิวะนี่ตั้งต้นมนุษย์นี่สมาทิฏสมาชิวะไปพรทดาก็มีสมาทิฏสมาชีวะภูมิธรรมสมาทิฏสมาชีวนะนี่ ข้าที่คดกับบุคคลก็เป็นสมาธิสัมมาชีวะต่อการกระทันติมีวัธรรมมีพันธุ์พันธนี่ท่านเสียสละได้ไหมบาปกรรมอะไทํานไม่เห็นมิจฉาที่ถฐิได้ไม่มีสัญมิจฉาอาชีวะได้มีต่อสมาธิสัมมาชีวะเนี่ยมีแตกรรมขาวกรรมดำนี่เนี่ยน่าไม่หมดเนี่ย พิสูจ น, น์ท่านมาไปดูเขาไปทางนี้วะแต่ทางท่านนาทิถีท่านนาชิวะเนี่ยบ า, บาสุกบาจิกาดีก็ไปได้ทุกัเขาจะคอยให้มีคนไม่บอกมีคนมาทำตัวอย่างเน่ยตัวอย่างมันกายกรรมนี่ทำตัวอย่างตัวเองวาจิกาง ม, มโมงกนกามสมาทิา ถ, ถีตัวเองสมาชิวะตัวเองอย่าไปกินอาหารผิดอย่างไป อาหารมเมาไม่เอาอาหารนิจฉาอาชีวะไม่เอาแต่อาหารบริสุทธดนี่ผู้มีศีลธารมจะมีสมาธิมีสมาธิว่าจะเข้าในสี่คู่แปดบุคคลได้เข้าไปในโลกัธรรมพนพานธรรมได้เพราะฉะนั่นนะให้เจริญในกายกัรสายในจิตกันเสีนโลกกันสายสมาธิถืดอด้มาก ที่จะมากได้ทำให้จิตต่อทุกถั่วโยงทุกโลภใจเขาออกอืมสมาที่ถือธรรมะชี้ว่างนี่เป็นชีวิตของมนุษสัตว์ธรรมเป็นชีวิตของเทวธรรมเป็นชีวิตของพุทธธรรมเป็นชีวิตของพระโสดาจตาาาาาิทาคารานาคาสงวนถือร่าอาหารเาก็ไปเองเนไปเองได้สรรมะชี้ว่างอยู่ด้พระอุณายของพระพุทธเจ้าอืม โดยโต้โมกต์กรรมีสมาชิว่าปัญญาโมกต์กรรมิสมาชิวะเนี่ยจะเป็นชาวกที่เป็นพิสูจน์สมัยดีของไปสมาชิว่าอุบาสิกุบาสิกาดีเป็นสมาชิว่าหมดแล้วได้ทุกวันไม่มีป้าผูกคอไม่มีใครบอกใครคนต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีจะไปงมาเอาแต่วัตถุภายนอกมาเป็นพระพุทธเจ้าเออจะมาเป็นยังไงได้จะเอาเม่าหนังเก่าบมามาฉันใหม่มาฉันไม่ได้ เจ้าตาของต่าหูของเก่าจะมูกนึงการใจของต่าเนี่ยมาไม่ได้เป็นธรรมหมดแล้วขอพระเจ้าเป็นธรรมทำไม่ตายทำไม่เกิดถ้ารำก็ไม่เกิดไม่ตายทำมาทำมาคุณสังฆคุมก็ไม่เกิดไม่ตายนี่นะพ้นไปหมดแล้วพ้นทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ้นเกิดตายเป็นศาสนาได้พุทธสาสนาไม่เกิดไม่ตายธรรมศาสนาไม่เกิดไม่ตาย สังคาถาถ้ า, ญญาไมเกิดไม่ตายตัวพาถนาไม่ตัวไม่เกิดตัวไม่ตายตัวไม่มีทุกข์ถ้ายังมีสัน้นโลดเนีมีหายอยู่เนีไม่เป็นศาสนาได้เป็นไม่เรียนเลยเสียกระทันมนไมเป็นอาชีพยกระทําได้ยังมีบริสุทธิ์สามาทิฏฐิเป็นบริสุทธิ์สัมาสิวานบริสุทธิ์เดงมตอนนี้นักคันที่จะพูดที่สุดถึงนี้โลสะพานมีพานสะพานเลนะ สมาพิธิบริสุทิ์สมาอชีวะบริสุทธิ์นะไม่เกิดไม่าตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักตุกเพราะมีมีสัตว์จะไปเกิด ม, มีสัตว์จะไปตายเพราะฉะนั่นขอให้เจริญย่อกันไม่ไม่มาสัตย์ทันไม่เทวะทันไม่ภูมทิทันตลอดถึงอริมัติสีริยพ้นสีขอให้เจริญอยู่ในมีวธกระทันมีภูมิทับกหนดทุกทนเอง ตาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหไูจะดกเรื่องการใจไม่เป็นทุกข์อะไรมันเป็นสนามหลวงให้วิชาอาวิชาทนเองเป็นสนามหลวงให้ใชนโลดสิเป็นสนามหล ว, วงให้อวิชัยเจ็ดนี่เป็นเรื่อนักสีก็มาร ม, มาสนามนี่อาจารย์พสีก็มาสนามนี่ฮะสนามเดียวกันนี่สนามนอนโน้่เองเป็นสนามของวิชาอาวิชาพเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอวิชาให้โม่แต่ ธรรมะจะมีธรรมงนุษยา น, นิชานีวามหายอวิชามิดแล้วไม่มีนี่กิเลสกรรมบากบุญแล้วนม่มีนโลกกันไมพานนมีร่ไม่หายาานีนนนนย่ให้บังคุณในชันที่ไม่เกิดไม่ตายให้เจริญในศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั่วหน้าสัน ปฏิฆามันราคะราคะปฏิฆามันชอบใจถ้าชอบใจเป็นราคาประการหนัดเลยราคานิสัยตามน้ำตามจิตก็กับจิตตามน้ำต า, จ, ตต า, น า, นตาจิตปฏิฆาทัน ม, มนไม่ชอบใจ คนพระพิกขุนูจะไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าให้พระนินไปให้ไปคอยุปธาพิกสูไปห้าร้อยให้ไปค อ, อ, อยจุปธาเพราะมันไม่ว่างพราะไปยืนอยู่ปฐธาน่ะมันไม่มีที่นั่งมัยืนอยู่เทระราคาปฏิฆาเนี่ยอัน น, นี้อันุี้ายชันตอนปลายันเลิกก็ลา ราคาทฉลุดปฏิฆาทฉโดุดเนี่ยสี่ตัวเนี่ยอนุใสก็มีราคานุใสปฏิฆาอนุใสทิศสี่ตัวว่าฉลุดขาดทิอนุใยขาดเจ็ดจึงจะเข้าเฝ้าได้ดยังมี้ฉลุดอยู่ไมเข้าเฝ้าไปด้นันก็ไม่ได้อะไรไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นหนังพระเจ้าหุ่นอยู่กันหมดมันต้องบับดฉลุดสิบตัว ดับเ็นให้เจ็ดตัวคิดเจ็ดตั ว, ตวดับได้แล้วก็เฝ้าเขาได้เอาอหารได้ ง, ง่ายเขาเฝ้าได้ผู้ชนไปทำไมอะ่ะบไปเข้าเฝ้ามันก็ไม่ได้ไรอะสัมมาชีวะอย่างครับ ม, มิชาที่ฐิมานไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมิชาชีวะก็ไม่มามีพระโมคคัลนะมนพระพุทธเจ้าคุณนายอยู่ข้างสิบวันนี่พระองค์เดินผ่านไป ข้าตะนื้อพระองไปตะกวนเยอะดังไม่สิว่าเส้นคุณยายอยู่ข้างเจตัวนี่ทำไมไม่เทศบ้างบวกลาภมาแทนดิพไปข้างหน้ายายหันล้างสายใช่เอาเอาอู้ไปว่าข้งข้างหน้าโดนหันตะแทงประส า, า, า, ายนะ่หันหน้าเว้อู้ไปที่นี่หันล้าไประสายใช่หันหน้าเอาอู้เถือมือเปล่านี่เหนือยหน้าฝนอากาศรน เอาลูกที่ห่างคุณไปด้วยอากาศโค่นหน้าลงดินเลยการประกาศพูดยังไงคุยง้าไม่ดูหน้าพระเลยเขาไปง่ายหอยมานาแล้วไม่รู้พูดอะไรนะหาคนเห็นเรื่อยๆอ่าตัวเองเขาบอกไปก่อนแล้วไม่เชื่อต้องไปพูดับเองอ่ามิชาทิฏิมิชาอธิวาฝนมาลงดินกินดินเลยก็เป็นอะไรใช่ไห วันนั้ไม่เอาอะไรเดินเอาเ gesture, อาหน้าลงดินเดินดินนี่กินก็กินดินนี่ยนก็นอนไปดินเนี่ยมันไม่ดู reshold, หน้าพระเลยจะเป็นเหี้ยจะไงได ja ้คุณเจ้าไม่เหี้ยตัวชีวิตมรณะมริะแปลวาความตายชาติเหตุบุคคลความเกิดบอกมรทุก ทุกข์เพราะเกิดทารืดีพฤขาเพราะทาราก็มั น, น, นเป็นทุกข์วันหางดัความตาก็เป็นทุกข์มันใช้แปัจจุบันกันนเกิดปัจจุบันแก่ปัจจุบันเจ็บปัจจุบันตาปัจจุบันเป็นทุกข์อย่งนัจจ้นเพราะ ม, มีเห็นทุกข์ในปัจจุบันนีก็มันมาจากไหนามาจากธัมมทายก็ดับ ฉันเลิกสิท์เสียอ้ไม่ใชเจ็ดเสียตัณหาสามก็ดับด้วยตัณหาสามก็ดับหมดนะ่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเนี่ยดับได้แต่นิโร น, นิโรกันนี้พานมันไม่ดับมุกสาวพระจมานะ่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเลยแม่ อะไรตื่นขึ้นมาเงินดูในข้อปฏิบัตินี่ยพอมาองแต่เนี่ยไม่เงินดูเลยมีมีแม่มีสะพานมีตัวได้เห็นไหมล่ะปัญหาเกิดกับพ่อเป็นแน่พ่อมีมีน้าเขาพญานาวา่ิวาพระอัฏฐนาครดยุติมียกพระพุทธเจ้ามีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อนีแน่มีพี่มีน้องทุกองค์ พญามานี่งไม่มีครมีปูมีย่ามีตามียายมีมีมีเราด้วยเรามีลุกษาสามคนตอนที่เราเป็นสาวคลื่เขายังถามว่าทุกวันนี้ลูกสาวรัฐบาลมีไหมมีสิพาไปไปตีนกบาลแล้วก็พ่อ พญานาถที่ว่าเป็นพ่อมันงทำแล้วก็ไอ้กานหาเป็นเป็นสามพีออพาาน่น้องลูกสาพญานาลไสอนที่สื่อ่องเดยก็ขสอนมาไงนางทหารนางราคามีอะไรดีเนี่ยเฮ้ยกรดภารกินี่มึงสอบทุกปีทุกปี มันไม่เห็นเรข่าวประจานาเห็นแต่เรื่อมงนยดเหนียวเหว่ามงงนมึงมันยเนี้ยวมันงาน ม, ม, มา น, นสวรรค์ก็ไม่เห็นแต่ยืนข่าวอ่านหนังสือ ด, ดูชาตกามาจกรวิจิรเนี่ย ม, มนันมีสวรรค์หกท่านมีประเทศพระอัษรเท พ, พ, เท พ, พบุตรมันสวรรค์น่ะดีวกแต่ว่ามันเป็นผู้ชาย มีเจ้าบุตรองค์มีเมื่อวัวางเท่ากัช้อนตั้งสามหมื่นเจดมเขาจะมีมากขนาดนนะนม่นอย่มีนก็น้ า, ข า, านเาาขาว่ามิคนเจ้าชู้เป็นมาตัา้งแบบผัทะเลกันนางกันหาอุปิัเศก็แล้วพี่ชายโกหกนังสาวไปเป็นมีนักชวมเอกนางกันหาเลยรัดหนาว่า อย่าอย่าคบรอผู้ชายเนี่ยบนสว่างตะโกหกมึงเรื่อโกหกพี่ชายแท้าพ่อธนินตะโกหกนางสาได้ดยังไงมั้ยแล้วแล้วมีผัวยังไรอะ่ะมาเกิดเป็นส ก, กุลเศรษฐีมาเกิดร่วมพวิชชันดอนนางมัธทีก็มาเป็นเพนพาเนี่ยพวิชชนดอนก็มาเป็นศรีธาตุ น, นย บาบานอย่างนั้นน่ะนี่แล้วคนเขาเห็นโทษอ่อฟาฉลียโกโหกน้องขาวเขาจาานนึงาถนางน้่มีผัวกันไงอ่ะพวกผู้หญิงเนี่ยพวกชายสวรรค์พระรามนุดอ่ะผู้ชายคบไม่ได้โกหกเองว่วโกงเกงนั่น ติดมาแล้วหมาบาหลงปูลุกกายกับจิตนานเลยกากัจแล้วหลวมามีกายกับจิแล้วการเป็นสนามทิริเนี่ยสนามกี่าวิชาก็ม้าใช้จิตนี่เอาวิชาขมาใช้จิตนี่ม่ตกีฬากันก็ได้นั่งปัญหานั่งราคานงะียบเันสนามเดียวกนนี่ยรัาไมมีกายแรงรับมันมันไม่มา มันมาจากไหนมาจากพ่อ New F urning, F <c oughs> มันพ่ออยู่ชั้นประนินประนินชั้นใจเฮงมันอยู่ชั้นต่ำเมื่อไรอ่ะพญามานอ่ะตอนหา mm มันเกิดมันเกิดเกิดคือเป็นสาวเลยมันปัญหาเกิดึ้อเป็นสาวเลยเกิดว่ามีหายกได้คุณอุ๋มเลยเห็นเห็นแต่พ่อมันพระพทเจ้าเข้าโพธิเาลมันยังมานี่นางตั้งท้ามาแล้วก็นางราคามานางอะไรดีมา า ม, มาถามนางมาลังตอนนีมม้มาอยู่ลาดอะจะมานั่งอยู่ทําไมไม่ตายใ ไ, ได้ง่ะแต่อยู่ชั้นประมูลแล้วใช่อุปถาไขสามพี่ร้องน่ะมันจะเป็นอุปถาอะบอกว่าพิพากษาผมมีในวันที่บ่ายราชบัตรองลาออกมาแล้วเราเราไม่ตายแล้วเราจะนั่งอยู่ในโพธิบรังนี่แหละไม่ได้กระทาะไปไปอะ มก็ไปบอกพยาบาลมาครับเอาเชืานามามาตัวท่านมาังวัดเป็นมารังของพญามันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อ่ะเกิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพญามันเขามีพยายามมีมาเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้ามีพยายาไอ่ะมึกถึงนีิบัติธาตุเอาตัธาตุเตโชธาตุวายโธาตุาการธาตุ ญาณธาตุเนี่ยแม่ทวาีจังรดมวยผมเนี่ยแม่โคศพเนี่ยเป็นมามีของพระเจ้าเมื่อบรรลุนางทวารีรีดมวยผมแม่โคศพนี่เรื่องทวารินรบาดศาสนาได้เจเยินเนี่ยขาดแม่โศพแม่ทวารีเราพระพุทธเจ้าไม่ได้กัดสูตสักองค์เราก็เลยไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยแม่ของโลกมีอยู่โโแม่โคศพแม่ทวารีเราละ น้ำพ่นพญ า, ามารหมดเขาถามว่าพญ า, ามารไปอากาศร้น่นเหรอทำไมน้ำถึงพ่นได้น้ ม, มาทอดีเราไปพ่นหัวใจพญ า, า, ามาจ ร, งราจงลงมาจนน้ำถือดอกบัวมาถลายผู้ายแล้วะยกตอนแรกนะใครเขียนกันรู้แล้วปัน่นพญ า, า, า, า, า น, ะ า, นามีแต่ในวาคาในสะังเรือาเมืองเป็นบุตรทิงของภยูยมิใจมืองน่ะผู้ชายล้วเป็นบุตรทิงของผู้หญิงอีกะ่ะ มันเป็นพยามานเนี่ยเกลือสมาเนีันรังคว่าง ม, มันไม่ว่าใครทั้งหมดอะไม่ว่าหนุวหวมว่าสาวไม่ว่าภิจูดสมเดนวไมวาส่วนบิกา